สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพซูตอนที่443เรื่องการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่สี่พี่น้องครับเรายังอยู่ในพระธรรมโคโริสตบทที่สามข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดนะครับในช่วงนี้ผมจะเชิญพระเจนะของพระเจ้าในพระธรรมโคโริสตบทที่สามข้อสิบหกถึงสิบเจ็ดให้พี่น้องฟังโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า จงให้พระวาระของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์จงสั่งสอนและเตือนสติกันด้วยสติปัญญาทั้งสิน้นจงร้องเพลงสรุป ด, ดีเพลงน้ำสการเพลงสรรเสริญด้วยใจโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าและเมื่อท่านจะกระทําสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็ตามจงกระทําทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูเจ้าและขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้น พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงคําถามที่ว่าจุดสูงสุดของการเปลี่ยนล้นได้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นคือคําตอบคือการมีชีวิตที่บริสุทธิ์ครับซึ่งเป็นชีวิตที่แสดงจากภายในสู่ภายนอกเป็นชีวิตที่รับการเปลี่ยนแปลงเป็นชีวิตที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตซึ่งจะส่งผลต่อการเกิดผลถ้อยวิญญาณอย่างชัดเจนครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสุสดท้ายก็คือการรู้จักบังคับตนพี่น้องครับผลหรืออาการของผู้ที่เปี่ยมล้นด้วยเพื่อนยันโดสุดนั้นเขาจะมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับชอบธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอันนั้นเป็นเบื้องต้นครับต่อมาเขาจะต้องมีความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองฉะนั้นเมื่อเราเปี่ยมล้นด้วยเพื่อนยันโดยสุดนะครับ ในพระบรมทีโคโรตสีบทที่สามข้อสิบหกและสิบเจ็ดนั้นก็จะพูดถึงสี่ประการด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้ไปแล้วสองประการแรกนะครับประการแรกนะครับผมขออนุญาตทบทวนก็คือเราจะต้องพูดคุยกันปลาศัยกันด้วยความรักครับเราจะต้องนำซึ่งกันและกันมาถึงการนมัสการพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าร่วมกันนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะฉะนั้น หาการปราศัยใดๆก็ตามที่ไม่โน้มนำไปถึงการยกย่องพระเจ้าไปไม่ถึงการนามัสการพระเจ้าไปไม่ถึงคําว่าฮาเลลูยาและอาเมนพี่น้องครับตรงนั้นจะเป็นจุดที่เราจะพิจารณาตัวเองได้ว่าเราอยู่ในการเปี่ยมล้นหรือเปล่าในขณะที่หลายเลดคนนะครับซึ่งเป็นพี่น้องคริสเตียนด้วยกันเองเมื่อเวลาเจอกันก็จะพูดกันนะครับในเรื่องราวที่ไม่สมควรเช่น เรากําลังนินทาว่าร้ายคนอื่นเรากําลังทําบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่แรงจูงใจที่บริสุทธิ์จากจิตใจจากความคิดจากคําพูดจากการกระทําของเราการพูดคุยแบบนั้นครับเป็นการพูดคุยที่ไม่ได้จัดอยู่ในการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการต่อไปนะครับก็คือว่าถ้าคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเขาจะต้องมีอาการตามพระคมภีร์ก็คือเขาจะต้องเทิดทูนพระเยซู เขาต้องร้องเพลงสดุดดีจากใจของเขาถวายพระเยซูถวายองค์พระบุญเจ้าหลายหลายคนนะครับแม้ว่าจะร้องเพลงไม่เก่งไม่ได้มีเสียงร้องนะครับแบบนักร้องมืออาชีพบางคนก็ทําให้รู้สึกว่าไม่อยากร้องเพลงแต่ผมอยากจะหนุนใจครับแม้ว่าเราจะร้องเพลงไม่เก่งแม้ว่าเสียงเราจะไม่เพราะไม่ดีแต่ถ้าเราร้องเพลงออกจากความซาบซึ้งใจร้องเพลงที่จะตอบสนอง ยกย่องพระเยซูเทิดทูนพระเยซูแล้วแล้วก็เสียงเพลงตรงนั้นนะครับพระเจ้าไม่ได้ฟังเสียงทางกายภาพแต่พระเจ้าฟังเสียงที่ออกมาจากหัวใจครับเสียงที่ออกมาจากใจที่เราร้องเพลงจะไหวองค์พระเจ้าสิ่งนั้นแหละครับสําคัญมากพี่น้องครับในวันนี้ผมจะพูดถึงประการที่สามครับคนที่เตี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณมุดนั้นเขาจะขอบพระคุณพระเจ้าเสมอเขาจะนับพระพรของพระองค์เสมอ เขาจะสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์เสมอท่านพี่บอกว่าเราจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสำหรับสิ่งสารพัดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเราพี่น้องครับเราต้องสำนึกว่าพระคุณพระพรนานาประการในสวรรคสถานนั้นได้หลังไหลลงมาถึงชีวิตของเราโดยผ่านทางพระนามของพระเยซูคริสต์พระนั้นกับอธิษฐานใดก็ตามนะครับ จะต้องอธิษฐานในพระนามของพระเยซูหลายเหลายเลขอันครับเราพลาดไปครับเพราะเราส่วนใหญ่ขอบพระคุณพระเจ้าเป็นเป็นบางครั้งบางกรณีสําหรับบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองแต่คริสเตียนผู้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณจะขอบพระคุณพระเจ้าเสมอสําหรับทุกทุกสิ่งครับพี่น้องจะขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาสําหรับสิ่งสารพัเสมอการที่คนคนหนึ่งจะขอบพระคุณพระเจ้าได้กับทุกสิ่งนั้น แสดงว่าเขานั้นได้เชื่อไว้วางใจพระเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าเชื่อไว้วางใจพระเจ้าแบบสุดใจขาดดินครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเนื่องจากเขานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระเยซูสุดนั้นไม่เพียงแต่เขาจะนําคนอื่นมานมัสการพระเจ้านําคนอื่นมาเทิดทูนพระเยซูเขาจะต้องขอบพระคุณพระเจ้าขอบพระคุณพระเยซู เสมอในฐานะที่เพียชูนั้นเป็นช่องทางแห่งพระพรที่พระบิดาจัดเทพระพรลงมาจากสวรรค์มาถึงชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนพี่น้องครับพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงเป็นพยานในวิญญาณจิตของพวกเราว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าและพระบิดานั้นทรงเป็นพระเจ้าผู้เลิศประเสริฐครับรงทรงสูงส่งดีเลิศพรงทรง ส, งสัพพัญญูานสูงส่งมากเพราะฉะนั้นการต่อว่าหรือบ่นครับ จึงกลายเป็นกับดักเป็นบาปล่อพวกอิสราเอลบ่อยๆครับหมายความว่าเป็นบาปที่เป็นกับดักล่อลวงอิสราเอลให้หลงบ่อยๆเพราะเนื่องจากการพร่าบ่นนั่นเองพี่น้องครับการบ่นนั้นถือว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งนะครับและเป็นบาปที่ค่อนข้างร้ายแรงด้วยเพราะเป็นการแสดงออกถึงความไม่เชื่อการบ่นนั้นเป็นบาปร้ายแรงก็เพราะว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่เชื่อเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มโอดควร ที่เ ร, เริ่มพ่ําบนก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเราไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งครับเมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มอดควรและท่ําบนก็พิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเราไม่ได้เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่กลับกันครับเมื่อใดก็ตามที่คริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณเขาจะสานึกในพระคุณเขาจะ <c oughs> เรียนรู้ในการนับพระพรของพระองค์เขาจะมอบความไว้วางใจ สา ม, มารถที่จะขอบคุณล่วงหน้าได้พี่รองครับเราอธิษฐานวิงวอนนะครับตามเอเฟซัสบทที่สี่ข้อที่หกเราจะต้องสา ม, มารถที่จะขอบคุณพระเจ้าล่วงหน้าได้สําหรับสิ่งสารพัดที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับเราเสมอไม่ว่าจะเกิดเหตุใดก็ตามพี่รองครับเราจะเห็นนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองประการที่สามซึ่งเป็นเครื่องหมายทั้งสามประการนะครับในวันพรุ่งนี้เราก็จะ เรียนรู้ประการที่สี่ต่อไปครับผมอยากจะทบทวนนะครับพี่น้องอาการหรือเครื่องหมายของการเปี่ยมล้นได้เพิ่มใหญ่โดยสุดประการแรกก็คือเขาจะต้องนำมาซึ่งการปราศัยเชิญชวนโน้มนำสนับสนุนให้กำลังใจกันเพื่อที่จะเข้าถึงการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงนะครับความหมายนี้ครอบคลุมกว้างขวางมากครับประการที่สอง ก็คือเขาจะต้องเทิดทูนพระเยซูครับเขาจะต้องสรรเสริญพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอันนี้คือท่าทีที่เกิดขึ้นในการร้องเพลงในการนมัสการนะครับประการแรกก็คือนำมาถึงการนมัสการประการที่สองก็คือเทิดทูนพระเยซูนะครับซึ่งเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าที่นำมาซึ่งชีวิตใหม่ขอบคุณพระเจ้า และทําให้เราสามารถฉ ด, ดดีโปร่งได้จากหัวใจของเราจากจิตใจภายในของเราและประการที่สามคือวันนี้ก็คือว่าคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญาณบริสุดนั้นจะมีเครื่องหมายหรืออาการแสดงออกมาก็คือเขาจะต้องขอบพระคุณนับถถนสำหรับสิ่งสารพัดเสมอเขาสามารถที่จะไว้วางใจพระเจ้าได้อย่างสุดหัวใจในทุกทุกวันเวลา พราะเหตุที่ว่าเขาพร้อมที่จะขอบคุณพระเจ้าไม่ว่ากรณีใดๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะมีชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะต้องนับพระพรของพระองค์ทุกวันตอนเช้านะครับตื่นนอนขึ้นมาขอบคุณพระเจ้าครับเพราะว่ามีอีกวันหนึ่งที่เราจะสามารถทํางานได้สามารถรับใช้พระเจ้าได้สามารถเป็นพยานเพื่อพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้านะครับอย่าเพิ่งลุกพวดพลาดมาจากขึ้นมาจากเตียง แต่ขอให้ทุกๆเช้านั้นเราจะรู้จักขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจก่อนนอนก็เหมือนกันครับเราจะต้องสํานึกและทบทวนในสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงประชานให้กับเราทุกๆวันเพื่อที่เราจะสามารถขอบคุณพระเจ้าได้ในทุกกรณีขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านอาเมน